เือนังไงกันบ้างไม่เห็นอะไรที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเราหรอเยอะไหมสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วโมงหนึ่งเยอะนะต้นหัวไปโย ใตในใงเราเยอะขึ้นะมีอย่าง่ไหมรู้สึกเปลียนอะไรหรือว่าเกิดอะไรที่เกิดขึ้นคุณคิดเยอะค่ะไปคิดเยอะคิดคิดหดายเรื่องไหมหรือว่าคิดหายเรื่องจบแล้วหรอวคิดใหม่คิดเรื่องใหม่ แต่แล้วก็ยังนานไหมบางทีก็านานบางทีป่ะเดียวความตั้งใจเนสิ่งที่ดีใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาทำที่ท่าอาจารย์หลักคือให้สบายๆมันเหมือนกับเราจะไม่ตั้งใจหรือเปล่า <laughs> พอดีนี่นเป็นสูตรที่เราต้องต้องต้องต้องให้พอดีมันถึงสูตรแบบไหนก็พอดีนะดีไหมมันมีความตั้งใจไม่ใช่ว่าขี้เกียจนะนะมีความตั้งใจแต่ก็มีความสบายแต่แตมันแค่มันพอดีพอดีเหมือนเหมือนเราทำไมจะชอบเกียบเับที่เหมือน เราจำความสึกตอนเด็กๆที่เราขัดขี่เป็นพยานใช่ไหมบางทีเราจะกลัวมันลนะ้มเราก็จะจับแทนถ้าเกรงนะยิ่งจับเกรงก็ยิ่งล้มนะเพราะว่ามันไม่ยืดหยุ่นพอจะโค้งพออะไรมัน ม, มันมันจะแข็งเกินไปใช่ไหมมันก็จะล้ม่ายง่ายบางทีแ ม, ม, เม้เวลาเราเวลาความรู้สึกกลั ว, ลวมันจะไม่ห้เราเกรงทำให้เรา ทำให้เราไม่ผ่อนคลายอันนี้คือเราตั้งใจเกินไปตัวอันนี้เหมือนกันเรากลัวผิดล้วก็เลยเจ็กเกร็งแต่สบายเกินไปบางคนก็ก็คุ้งซ่านมากสบายบางทีก็เลยคิดยาวคิดนั่นคิดนี่เราไม่รู้ตัวนะแต่นักปฏิบัติทางทีอาจจะรู้สึกว่าคิดเยอะแต่ แตสัตเงเกตว่าบางทีความสั้นความยาวแต่เรื่องมันจะไม่เหมือนกันตอนไหนที่สติลราอ่อนอาจจะคิดคิดเป็นานนะค่อรู้ตัวคิดจบแล้วไปอรู้นะแต่บางทีตอนไหนสติมันมันดีมันก็คิดเหมือนขึ้น ค, คึ่งกลางๆแล้วพอรู้ตัวมันก็หยุดใช่ไหมหรือบางครั้งสติเรามีกําลังมากแค่ไหวกำลังจะเป็นความคิดเป็นความพูดพัทธิญาในใจมันรู้ทันก็ตัดตรงนั้น หรือบางทียิ่งสถิตดีมากแค่ยังไม่ทันจะเป็นภาษาเป็นสมมุติเลยก็มันก็รู้ทันอันนี้ก็ดีนะคือมันไม่จำเป็นว่าจะต้องสงบราบเรียบนะแต่เราเคเห็นว่าเออมันทีคิดมากเนี่ยไม่เป็นไรนะแต่เราเห็นว่ามันคิดมากนะแล้วตลอดจะเห็นว่ า, พ อ, พ, อาพอเรารู้ทันเไยมันก็จะความคิดก็จะจบไปก็กลับมาเกี่กับการปฏิบัติ ในบางทีชั่วโมงหนึ่งนะเราจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเราเยอะเพราะอะไรเราเคล้ายเหมือนเราตั้งใจที่จะย้อนกลับมาดูตัวเองแต่บางทีแชั่วโมงหนึ่งเนี่ยถ้าเราเอาไปเดินห้างเนี่ยเราจะไม่ก็เห็นกายเห็นใจเรานะแต่เราจะเห็นคนเห็นเสื้อผ้าเห็นสิ่งของแต่เห็นพวกนั้นมันไม่ค่อยกลับมาเห็นจิตเห็นใจของเราเองแต่ถ้าเราภาวนาเก่นนะไปเดินที่ไหนก็สามารถจะเห็นเห็นกายเห็นใจเราได้เหมือนกัน เราจะเห็นในใจเราไหลดีชอบไหลไปชงังเผลอไปคิดเผลอไปฟังเหมือนเรจะเห็นนั่นก็ดีนะถ้าถ้าเราเห็นว่าชั่วโมงหนึ่งมันมาเห็นอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยในใจเราเยอะนะมันก็คือเรามีสตินะเราถึงเก็นถ้าเราไม่มีสติชั่วโมงหนึ่งจะเพเลินเลยสังเกตไหมเวลาเราดูหนังนะเราอาจะไม่ได้รู้ตัวนะแต่เรารู้เรื่องหนังที่เราดูดูละครเหมือนกันใช่ไหม เราจะไม่รู้ตัวนะเวื่เรากินเป็นเศร้าแล้รู้ตัวอีกทีก็ตอนน้ อ, องไห้แล้วสมมตินะแต่เราจะรู้เรื่องหนังแล้วก็จะคอยลุ้นอยลึงตามคนที่เราเทียร์คอยคอยอไม่ชอบคนที่เราชังเนะาานี้ยมันจะเป็นการเราเข้าไปเข้าไปกินกับอารมณ์แต่ถ้าเราสังเกตดูอารมณ์มันเกิดขึ้นมาเราก็เห็นมันธรรมดานะ่ยมันจะเกิดขึ้นตัง้งอยู่แล้วก็จับไป แต่บางคนอาจจะสงบขึ้นเพราะว่าอะไรบางทีอาจจะอยู่แบบอยู่กับกายที่เคลื่อนไหวจิตมันก็อยู่กับตรง น, นี้ก็ทำให้เกิดความสงบไม่ฟุ้งมากนนะ ก, ก, ก็ได้เหมือนกันบางทีก็ไม่เหมือนกันนะบางคนอาจจะรู้สึกว่าสงบขึ้นบ า, บางคนอาจจะรู้สึกว่าฟุ้งซ่านแต่ฟุ้งซ่านแล้วก็รู้ก็ดีเหมือนกันสงบแล้วก็รู้ก็ดีนะไม่ใช่สงบแล้วแช่นะตงระวัง สงบแล้วก็พอใจสงบแล้วก็พอดให้มันสงบไม่อยากให้มันคิดเลยนะอันนี้อาจจะเป็นการแช่อารมณ์ใครมีอะไระจะจะพูดหรือว่าจะถา ม, มนะครัเชิญนะฮะเพื่อี่ชายเปไงบ้าง ใหอก็่ครับก็เห็นความคิดเป็นระยะระยะก็จะคิดยแล้วก็เห็นความรู้สึกเป็นระยะระยะนะแล้วก็พยายามจะดูว่ามันมีคมคิดทาไมมันถึงคิดอะไรครับคอยดูหรือว่าคอยคิดค อ, คอยครั ม, มันเหมือนมันจะมี ก็่ต้องไปามหาเหตุนะไม่ต้องไปถ า, านะมถาว่าทําไมเราถึงคิดเรื่องนี้ทําไมเราถึงรู้สึกแบบนี้อันนี้สิทธความคิดนะนต้องระวังนะการดูเนะี่ยเพียงแค่ดูรู้ว่าไอ้คิดเกิดขึ้นนันคืออะไรนะโดยไม่ต้องไปไม่จริงไม่ปัญญาเนะี่ยหรือว่าการมีสตเิเนี่ไม่ต้องไปเข้าใจเหตุก็เหตุหรือว่าปัจจัยว่าทําไมมันถึงเกิดก็ได้นะไม่ไม่ไม่ต้องไปดูตรงนั้นดูแค่ปัจจุบันว่าแต่เนี่นผล ผลคือตัดมันคิดผลคือมันทุกผลคือมันหุดหงิดนะะดูแค่ตอนนี้ก็ได้บางทีนักปฏิบัติเราจะเข้าใจว่าการวิปัสสนาการพิจารณาหรือปัญญาคือการต้องคิดให้เข้าใจว่าเหตุนี้เ อ, อผลนี้มันเกิดจากเหตุอะไรทําไมถึงเป็นแบบนี้ฉะนั้นฉะ น, นี้คือการคิดนะ ค, ด ค, ดคิดถามคิดหาคําตอบนะต้องระวับบงแต่พอเภาวนาไปเรื่อยตอนนี้ ตอนที่เมื่อกี้เราเห็นสภาวะที่มันคิดแต่ต่อไปความสติมังค์มันน้นมันจะมันจะเห็นต่อเนื่องว่าที่เมื่อกี้ที่มันปกติเป็นแบบนี้แต่เมื่อกี้มันกระทบบางอย่างเนี่ยเช่นตากระท้รูกพ่อมันเห็นแบบนี้แล้วต่อ่าความรู้สึกมันจะเกิดขึ้นเช่นเออรู้สึกชอบพอมันเห็นสามสามต่อที่มันต่อเนื่องกันมันจะถึงความเข้าใจตอนที่ปกติเป็นแบบนี้ ตอนผัดสะสะพกันเป็นแบบนี้ตอนที่เกิดความรู้สึกเป็นแบบนี้อาจจะต่อเป็นความคิดต่ออีกถ้าเห็นเราเนี่ยซ้อนกันอย่างนี้จะเข้าใจแต่เราไม่ต้องพยาวว่าเห็นตอนนี้เราต้องไปย้อนหาว่าเมื่อกี้มันคืออะไรนะนั่นมันจะเกิดความเข้าใจเพราเราเห็นมันเห็นภาพมันต่อกันอ๋ออ๋อเป็นแบบนี้นั่นเอง ท้ายเี้เราดูโปรเจคเตอร์เนาะในผนังมันก็ว่างเปล่าธรรมดานะในเครื่องฉายกับเออคอมพิวเตอร์มันฉายขึ้นมามันดอกนาะเมื่อไรที่ตอนแรกถ้าเราดูดูผนังมันก็เห็นในความว่างเป็นความปกติพอมีเรื่องราวมันปรากฏที่จอมันเหมือนที่ใช้เนี่ยจิตเราเหมือนที่ใช้เดิมแทนเหมือนเหมือนผนังที่ว่างเป่า เป็นภาพมายามันซ้อนก็มาปรากฏตรงตรงขนานความคิดความรู้สึกก็เหมือนกันนะมันมันมามันมาครอบางาจิตเดิมแท้ของเราให้เป็นความคิดให้เป็นความรู้สึกให้เป็นอารมณ์ต่างๆเมื่อไรที่เราเห็นตั้งแต่ตอนแรกเป็นแบบนี้ตัวที่มาหลอกที่หลังขึ้นแบบนี้ตนสติมันจะทําให้แยกสองส่วนนี้ออกจากกันออมันมันจะทําให้เราเออไม่หลงไปกับความคิดนะ แต่ส่วนใหญ่วเราไม่เห็นตอนเริ่มแรกเราเห็นภาพแล้วเราก็ไปจริงกับภาพที่เห็นเขาเ้าใจว่าภาพมันเป็นจริงเป็นกลางเป็นาม เ, เราจริงจรงใช่เราโกรธก็คือมันเป็นตัวเราโกรธพอเราติดตัวเราโกรธใช่ไหมเราชอบเราชาก็เหมือนก่นคือเราเราก็ไปอยู่กับอารมณ์นั้นความรู้สึกนั้นความคิดนั้นมันก็เลยเป็นตัวตนเมื่อใ่ที่เอพวกเราอนะ มีสติมากขึ้นเราเห็นกระบวนเช้านะเราจะค่อยๆถอดถอนความเห็นคิดนะจิตเหมือจะมีทิสละจากการเห็นคิดคนนะี้ความภาวนาเพื่อตรงนี้นะอวามภาวนาเพิ่มตรงนี้มันเข็นทันความคิดตรงนนะี้การ ด, ดูสติรูกายเพื่อให้เนะี่ยพอรู้กายนะจิตมันพอรูสอ้สื่อๆธรรมดาสื่อจิตมันปกติล้ระดับหนึ่งจิดปกติ ความคิดมันแทรกมาทีหลังนี่มันจะเห็นกระบวนการเราไม่พยอย่างที่ต้องให้มันปกติแบบปกติดูแต่ตายตลอดนะมันจะไม่เห็นมายาภาพที่มันแสดงมันที่จริงมันมันซ่อนอยู่ภายในนะมันซ่อนอยู่ภายในเหมือนพระพุทธเจ้าท่านบอกนะในช่างผู้ผูกเกลือนเรารู้จักเจ้าเสียแล้วต่อไปเจ้าจะทําเมือนให้เราไม่ได้ต่อไปแต่ก่อนเราไม่รู้นะใครเป็นใครเป็นคนสร้าง สร้างเรือนเดือนก็คือความความสังขารการปรุงแต่งต่างๆเราไม่รู้ใครเป็นคนสร้างนะเราไปจัดบวิถูีพอเราเห็นว่าใครเป็นคนสร้างมันก็สร้างไม่ได้ละเราไม่ให้เขาสร้างเหมือนเราไม่รู้ใครเป็นโจรเขาก็คอยมาขโมยของเราเหยื่อตั้งไปพอเรารู้แล้วใครเป็นโจรแล้วเขาก็ขโมยไม่ได้การมีสติรู้ทันก็คือรู้ทันตรงนี้ เราก็มีความคิดอะไรนี้วเาจะมีเรื่องงานเรื่องอะพวกนี้พอเรารู้เราก็าเรารู้ปกเราก็คือพยายามต้องหยุดมันนะคะไม่ได้พยายามที่จะหยุดความคิดเรื่องงานครบไม่แค่รู้ว่ามันคิดเรื่องงานตมวนั้นแค่รู้ว่ามันคิดแล้วก็ไม่ให้คาดไม่ไปส น, นใจเขาคำว่าไม่ให้คาดไม่ใช่ว่าต้องต้องห้าม หรือว่าต้องมีหรือเราไปให้ค่าในการพยายามคิดเครื่องงานนะไม่ให้ค่าเหมือนแค่รู้เฉยเฉยไม่บวกไม่ลบพอรู้เฉยเฉยเนะี่ยมันก็จะมันก็จะตกไปของมันเองก็อย่างในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยคือเราอาจจะต้องมีหน้าที่ที่จต้องต้องคิดต้องอะไรเนี่ยค่ะอาจารยมันคือคือคือแยกไม่ค่อยออกคาะระหว่างที่เราเอปฏิบัตินี่สนะิเราอาจจะปล่อยให้มันไป เวลาที่เราเราชีวิตประจําวันของเราเนะียคะมันก็จะแบบอ่าต้องใช่ได้มาพูดถึงตอนนี้ปริยมตรง น, นี้โอเคให้วางแบบนั้นแต่ตอนที่อยู่ที่ทำ ง, งานจําเป็นต้องคิดก็ต้องคิดนะจะตนั่ ม, มีมันต้องแก้ปัญหามันต้องวางแผนมันต้องอธิบายก็ต้องคิดนะถ้าแบบนั้นตื่ตั้งใจคิดไปคือว่า ค, คือหมายความว่าเราต้องแบ่งเวลามาันให้ถูกอย่างนี้ใช่ไ ถ้าถึงบรรจันยังไปทํางานอ่าสมมติเวลายังไม่ทันพักเที่ยงก็ก็ต้องทํางานนะก็ต้องทํางานคิดเรื่องงานวางแสนแต่บางทีเราจะเผลอลืมตัวพอพักเที่ยงกินข้าวแทนที่เราจะมีเสถียรการกินข้าวล้วก็ไปคิดไปคิดเรื่องงานไปด้วยและเหตุผลมไม่็จะบอกว่ามัน <laughs> มันจะไม่ต้องคิดอะไรนะแต่จริงเราควรที่จะต้องพักันบ้างนะให้มันวางความคิดบ้าง มันจะได้พอกลับไปคิดอีกทีมันเป็นส t r ธ t e g i มากกว่านะก็คือให้ถ้าเรื่องงานเรื่องจําเป็นก็ตั้งใจคิดอย่างมีสมาธินะอแต่พอถ้าไม่ใช่เรื่องงานเรื่องการแล้วมันไม่ใช่เวลาเวลานี้เราตั้งใจจะปฏิบัติธรรมอะไรนะหรือเวลานี้เราตั้งใจจะทําอย่างอื่นนะเราก็ตั้งใจทใําในสิ่งนั้นแทนอย่าเอาความคิดที่มัน ลกลุกมารังมามาปะาฝนไม่งั้นชีวิตเรามันจะสับสนไม่หมดเลยตอนจะนอนก็หาเรื่องงานมาคิดเพรา <c oughs> ะตอนจะกินข้าวตอนอยู่กับลูกตอนอยู่กับเพื่อนแล้วก็จะเอาสิ่งอื่นมาเราพเพื่อแตไม่ได้อยู่กับปัจจุบัอนเราอยู่กับเพื่อนแต่ใจเราอยู่กับงานยไม่เหมือนอยู่กับเพื่อนนะใช่ไหมอืมมันก็ต้องอยู่กับคนเฉพาะหน้าน่ะนะอยู่กับงานเฉพาะหน้านะี่คือสิ่งที่สาคัญ ที่จริงบางทีเราไปคิดว่างานมันมีค่ามากกว่าสิ่งอื่นที่เราดูว่าเหมือนมันไม่มีค่านะแต่จริงถ้าเราให้ค่ามันเหมือนกันเนะ่ยมันก็มีค่ามากเลยเช่นการเดินเป็นเข้าห้องน้นะําเนี่ยมีค่ามากนะเดินเข้าห้องน้ํายังมีสติแต่ละขั้งมีค่าพอๆกับการทํางานนั่นแหละแต่มันอาจจะไม่ได้เงิน นะที่เกิดจากควคิดแต่มันได้สติกลับมาได้ความสุขง่ายๆไม่ต้องรอรมีเงินจะไปซื้อความสุขพอเราตัดมันเดินมีสติรู้ตัวเนี่ยความสุขกลับมาแล้วพอเราเบรคงานนิดนึงกลับมาหายใจสบายๆเนี่ยมันมีความผ่อนคลายมีความสุขละมีค่านะ <c oughs> แต่เราต้องรู้จตกบางทีไม่แต่กินข้าวนะตั้งใจกินตั้งใจเคี้ยวเนี่ย มันอาหารโบราหนื้อแทงนะไม่ได้กินไม่ได้ตั้งใจจะริมรถเลยเนะี่ยมันก็เสียดายนะอืมตั้งใจริมรถนะรู้สึกถึงการเคีื่รู้สึกถึงริมที่กระทำผัญเนี่ยนะมันตืนเข้าไปวโอม้มันจะมันจะมีมันจะรู้สึกถึงคุณค่านะเป็นชีวิตในขนาดนั้นนะที่เราก็ต้องแบ่งให้มันถูกเวลา ดีเลมากใช่หมเข้าใจกันอยู่พอสมควรนะเนรนะนะ า, เอานะอืไม่เป็นไรนะมาก็ไม่แค่เปิดโอกาสนะไม่ถามนี้เป็นไรครับก็ให้เร า, าค่อยๆภาวนาไส่กันนะก็ถ่ายพยายามปึกไว้คอยอยังเยวให้มีความเพียนนะแต่ให้เพียนแบบไม่ไม่ใช่เพียนแบบเพ่งให้เพียนแบบพอดีเพียนแบบมีความ เพิ่มเธอในสิ่งที่เราทนะไม่ใช่เพียนแบบเพียนแบบทุกข์นะมันจะทําแบบไม่มีความสุขมันจะเหนื่อยนะแต่เราเพียนมีชั้นทัศมีความพอใจนะที่จะทําเหตุนะให้เราเพียนนะนะมันจะเป็นความเพียนที่เราทําแล้วไม่เหนื่อยนะบางทีบางคนภาวนาไปมันทําแล้วมีความสุขมันก็เลยอยากจะได้ผลอยากจะเมื่อไรจะรู้เมื่อไหรจะผลสักทีมันจะ ที่จริงมันคิดเป็นเพราะอะไรถ้ที่เกียรติทำแล้วใะ่ั่นอยากทาให้มันเสร็จทันทีนะงานเนี่ยเรารู้ว่างานภาวนามีค่านั้นแต่อยากทำให้มันเสร็จแต่ถ้าใครมีความสุขในการภาวนาเนี่ยมันจะไม่คิดถึงว่ามันต้องเสร็จเมื่อไหรเพราะมันมีความสุขในตอนนั้นถ้าจะไม่สุขตอนนั้นก็ต้องเสร็จทีละขณะทีลักษณะไปดังนั้นให้เรามีความพอใจทํำนะ บ า, บางทีเราก็ต้องย้อนกลับมาดูการกระทัตของเราด้วยนะถ้าเราเพ่งเกินไปมันก็ทําให้มีความสุขนะหรือบางทีเราหาเรื่องฟุ้งซ่านแบบไม่จําเป็นที่จริงชีวิตเราในการทํา ง, งานมันมันจะมีความฟุ้งอยู่แล้วเพราะว่าสกปกัศตต่างๆเนี่ยแต่บางทีเราก็หาเรื่องฟุ้งซ่านเลยไม่จําเป็นเช่นไปดูละคร น, น้ําเน่าไป บางทีก็ไปฟังอินกับข่าวการเงินที่มันมันจะตบดาข้าฟันกันอยู่เนาะมันดลุเดือดกันเนี่ยบางทีก็ไปสนใจเรื่องชาวบ้านต้อนรินทากันนะมันทําให้จิตเราฟุ้งซ้านแบบไม่ประโยชน์นะอืมแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่ต้องปิดหูปิดตามนะรู้ท่าที่จเป็นแต่บางทีจิตเรามันจะไปคล้ายๆเหมือนไปสนุกกับมันเนาะบางทีเราก็ต้อง ก็ต้องแบบคล้ายๆตีกรอบตัวเองตรงนี้ด้วยมันจะน่าจิตเรามันไม่ฟุ้งมากนะเพราะถ้าจิตมันฟุ้งเรื่องพวกนั้นมากบางทีก็จะมาภาวนาบางทีมันก็อารมณ์มันจะขึ้นภาษามันภาษาที่เคยเก็บไว้น่ะทางการได้ฟังข่าวเอ่อฟังคนพูดหรือดูต่างๆมันมันจะปุดขึ้นมาเป็นพอเราภาวนาไปต้องเราจะมันฟุ้มมากบางทีจิตเราไม่ทันสมาธิเราไม่พองครับ มันจะงดกินง่ายเนาะบางทีเราก็ต้องติดกรอบติดกนณีด้วยโดยเฉพาะคาราวาสเนาะเพราะจะจีงพัดตัดที่เราโทษมันเยอะอยู่แล้วบางทีต้องคัดกรองติดที่ไม่จําเป็นเอาประหยัชีวิตบ้างแล้วทําเท่าที่จําเป็นเเกี่ยวข้องเท่าที่จำเป็น่ะไม่ต้องไปรู้เรื่องมากมายก็ได้นะเอาเท่าที่จําเป็นก็พอ ยันตุ้มก็เล่าให้ฟังนะบางทีมีคนไปถามหลวงพ่อบาเขียนรอก ถ, ถามนั่นถามนี้น่าสงใจถามไปเรื่อยเหมือนหลวพ่อเป็นเป็นผู้รู้ผู้รู้ทุกอย่างนะถามทุกอย่างนะถามมากอ่านจะนสุดท้ายหลวงพ่อบอกว่าในชีวิตนี้นะโอ้หลวงพ่อก็ไม่ได้อยากจะรู้อะไรมากแล้วนะสิ่งที่หลวงพ่อประมาณวนะ่าสนใจจริงๆนะ สนใจจริงคือทํำยังไงจิตจะไม่ทุกข์สิ่งที่สนน่าสนใจจริงจรคือทํำอะไรถึงจะไม่ทุกข์แต่จีิคนทั้งโลกไปสนใจเรื่องอื่นสาระพัดเนาะแต่ไม่ได้สนใจเรื่องทำให้จิตจะไม่ทุกข์นะสนใจสนใจแล้วมันทุกข์มากกว่านะอสนใจอืมสนใจแล้วทำให้จิตมันทุกข์นะแต่หลวงพ่อสนใจว่าทำยังไงจิตจะไม่ทุกข์แต่จริงหลวงพ่อ อาจจะไม่ <kiem> dreams, ้สนใจตรนี He <tumors Almost S 2> <t rhythm> ้แหละเพราะว่ามันเป็นชีวิตของท่านครับถ้าจะสนใจก็คือสนใจว่าจะสอนหรือจะช่วยเขาอยู่ยังไงให้เขาไม่ทุกมากกว่านะ้มาทีเราก็ต้องกลับมาทบทวนดูการจะทำนะของเราด้วยเนาะอันนี้เหมือนแตนตุ้งสับนะาวสุท้ายกับยาเสี้ยวก็อย่างที่อาจารย์นพมาคือ เปล่าใช่ไหมคยิ้มก็ซื้อติ่มข้ออะไรสนใจข่าวดูไหมครับอยากรู้ว่าเป็นยังไงจริงครับเดินตามห้างก็อยากรู่นอยากนี่คือป็นความอยากรู้ความอยากเห็นตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดมาเราเราเอาเวลาตรงนั้นแบ่งเวลามาทำยังไงถีงจะไม่ทุกเนี่ยคิดว่ามันมันก็มีความหายเยอะนะะเช่ไหมอยากรู้ว่าโลกเกาเป็นยังไงอยากรู้ว่าคำไม่ทุกจะทํำยังไงเลยเนี้ยใช่ไหมท จริแล้วตรงนี้เนี่ยสิ่งที่หลวงพ่อเขียนสอนนั้กลับมาฉะนั้นกลับมารู้สึกตัวเนี่ยได้เลยกลับมารู้สึกตัวเนี่ยได้เลยมันไม่ต้องอาศัยรนังสือพิไม่ต้องอาศัยทีวีไม่ต้องอาศัยโซนสเซลล์ไม่ต้องอาศัยอะไรทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นนคือตรงนี้ก็ใหญ่พวกเราได้เหมือนกับมาเหมือนจะดึงๆเวลาที่เราจะทำให้จิตของเราฟื้สร้างเนี่ยชะนั้นเพราะฉะนั้นเราสังเกตดูนะครับ ความนาที่เราไปยุ่งกับเรื่องโลกโลกนะทําไมมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะแต่ตอบไหมไม่ได้นะไม่มีทาได้นะเสร็จแล้วก็ทะเลาะกันเพิ่มว่าอย่างนั้นชันว่าอย่างนี้ไอเรื่องเดียวกันเนี่ยใช่ไหมฮะอย่างนั้นอะไรวันนั้นนั่เคยตรงเนี้ย่าเคยเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เรื่องโลกแตกเนาะมันเป็นเรื่องโลกโลกจะเปนอย่ามันก็มีเป็นคันลองไปคือจิตที่ไม่ได้ตุดเนี่ยมันทําเรื่องเยอะแยะหมด เรื่องเดียวคือจิตไม่ได้ฝึกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะนี่คือตรงเนี้ยเรามาฝึกจิตของเราใช่ไหมครับเราฝึกจิตของเราแล้วกลับมารู้สึกตัวตรงเนี้ยมัออนอืออาจารย์กระเคยพูดถึงสงสยัยหลานท่ายังไงกลับมารู้สึกตัวหมดสงสยัย หสงสัยตั้งแต่ก็สงสัยเป็นความคิดใช่ไหมครับเอกลับรู้สึกตัวแล้จิตมันก็หลุดออกมาใช่ไหมครับมันก็หลุดออกมาจากความสงสัยมันก็พ้นออกมาจากความสงสัยจบเพราะฉะนั้นนี่คือตรงเนี้นะความรู้สึกตัวไม่ต่างไม่ต่างว่าก็คือหมดสงสัยมันหมดไปละแต่ว่า ต, ต่ตตางโลกหมดสงสัยที่ได้คําตอบซี่ได้คําตอบก็ไม่ใช่ว่าหมดสงสัยนะนั่นนี่คือตรง น, นี้นะ เป็นยาครเป็นยาที่เรานะรับเราสร้างขึ้นมาทาได้หมทาได้แล้วก็ต้องทาได้เร็วด้วยนะบางทีเงือเงืง้ยก็ไม่ได้นะใช่ไหมครับทำให้มันได้เร็วพอเราเร็วเท่าไหร่เนี่ยก็เลยว่าเราก็จะดุดความทุได้นเท่านั้นุครับทุกท่นงต่กา็หลงกับท